ในอาลามินวะบินัลีนวะบินัสเตะอินและอดวัลอาล์อัลลอาวะก็ว่าแต่เออัอฮ์ละอกะัลลออัลลอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัอฮ์อัลลอัลลอฮ์อับลอฮ์อััลลอ์อัลอฮ์อ์อัลลอฮ์อัลลอฮอัลลัลลอฮ์อัลฮ์อัลลอฮลลอฮอัลลอฮ์ออ์อัอ อัลกาฟิรุนครับก็ขอบคุณอาจารย์มรัสันทักมานะครับว่าในหนังสืออาจจะพิมพ์พลาดนิดหนึงในสุร้อนนัสวาลิกุมสซาลามมตุลลอฮ์วะบรารกัดูครับผมในสุร้อนนัสในหนังสือถ้าใดมีเอกสารนะครับเขาจะเขียนว่าอิดายาอ่ายาอาจะเขียนผิดเขียนเป็นตัวยาจริงๆมันตั้งตัวจีมานะครับอิดะจาอัลลอฮิวาลลอฮ์อันนี้ก็คือที่ว่า ฝากเตือนมาเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ดูหนังสือนะครับก็เลยไม่ได้สังเกตว่าพิมพ์มาเลผิตตรงไหนหรือเปล่าก็ขอบคุณอาจารย์มานัสมาด้วยครับผมครับเมื่อจะทำการศึกษาคำพูด400นะครับเราก็อ่านกันก่อนสักรอบอ่านพร้อมๆกันนะครับสุ r a h a l f i r u นะครับ ع า ب الله ัชชัย ي ط ا ن ا ร ر ชีม ب ิ سم الله الرحمن الرحيم. الر الر كل يا أيها الكافرون. จะบูดูเมต a าบูดูว a นทุ่มอาบุดนะคะบูดอาบุ وَلَأَنَا عَابِدُمْ م َ ع ب د ُ م وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ م َ ع َ أ َ ب ُ د ل ك ُ م ดีนุตุมวาลีย์ดีนครับสุรา t h i นะครับสุราอัลกีฟิรูนเป็นอีกหนึ่งสุราที่ท่านนบีมสลลออุสลิมได้บอกไว้ว่าเทียบเท่าหนึ่งในสี่ของอัลกุรอานหนึ่งในสี่ของอัลกุรอานที่เราพูดคุยกันมาก็คืออัลีคลาสใช่ไหมครับเป็นหนึในสามแล้วก็อิซาชานลุลลฟัตที่เราคุยกันอาทิตก่อนเป็นหนึ่งในสี่ แล้วสุรห้หนนี้ก็เป็นหนึ่งในสี่ของผู้ร่านเช่นเดียวกันก็ไปว่าเราสังเกตได้ว่าด้วยความเมตตาของลอส่วนใหญ่สุระห์สั้นๆเพราะลอสจะให้มีบารากามีความจเจรวญที่มากมายสุร์อนกาฟิรูนครับบางท่านอาจจะใช้บ่อยตอนละหมาดในบันทึกของสหายนะครับหลายท่านนะครับบันทึกไว้ตรงกันก็คือว่า เวลาที่ท่านนบีมศลลละอิสลามทำการละหมาตสุนนะสองรักกะก่อนละหมาดฟัเชรอรี่อย่างที่พวกเราทราบก็คือท่านนบีไม่เคยถึง 2. องรกกะก่อนละหมาดเฟชเชอรี่ละหมาดตอนเช้าส่วนบ้ารายงานว่าบางขั้นที่อยู่กับท่าน ì, นบีเน่ยหนึ่งเดือนเต็มตอนที่ ir, ท่านนบีละหมาดสุนนะสองรักกะก่อนเฟชเชอรี่ท่านนบีอ่านรอกกะแรกด้วยกับซุลร์อัลกฮาฟิรูนแล้วก็รักกะที่สองด้วยกับอัลิคลาสก็คือกุญฮลล้องอาหัรท่านอ่านทั้งเดือน อีกสายราย ง, งานหนึ่งก็คือรวมไปถึงสุนัตสองรากาหลังละหมาดมักริดด้วยเช่นเดียวกันก็คือพอละหมาตมักริบเสร็จใช่ไหมครับก็มีสุนนะสองรากาซึ่งสุนัตสองรากาเนี่ยก็มีสายราย ง, งานว่ามีท่ทานอับดุลเบียส์โมมัสโลไลสลามนะครับประการแรกท่านอ่านได้ใช้อัลกาฟิรูนสุรละนี้แล้วก็รักนี่สอนท่านอบดุลเบียส์ใช้สุอนอลิคลาสก็แปลว่าท่านอีกแรกสุนัตก็เป็นสุนัตที่ไม่ยากด้วยส่วนใหญ่ก็เลยจะทำกันได้เพราะสุนละไม่ยาวบทไม่ยาวซึ่ง ย้ำนิดนึ่งว่าละหมาดฟัชอรี่นะครับท่านอบีเบียร์สโตรย์สลามท่านซุนนะเนี่ยจะละหมาดเร็วจะเรียกว่าเป็นเอสเซเลต์คอฟฟีฟาใจนี่คือละหมาดแบบที่ว่าค่อนข้างจะรวดเร็วคือไม่ได้อ่านอะไรยาวเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายคือเพิ่งตื่นนอนมาบางทียังไม่หันมึือยังไม่หันรู้ตัวแล้วก็ละหมาดซุนนะสองรักะเข้าที่เข้าทางปุ๊บพอละหมาดฟัชรี่ท่านอบีจะละหมาดนาน หนึ่งในละบาทที่ท่านลบีละหบาดนานที่สุดที่เป็นละหมาดสัุดูก็คือเวลาละหบาดตอนเช้าละหมาทสดุดีซึ่งจะค่อนข้างจะยาวนานเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดอยากได้สุดน่าก็อ่านเดียวาวบางสายรายงานก็คือบอกว่าท่านลบีอ่านซุราะอัลกาฟิลูนซุราะเดียวยี่สิบกว่าครั้งในหนึ่งละกาก็แปลว่าอ่านอ่านไปเรื่อยๆทําไมมันมีประเด็นมีอะไรที่เราต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ทําไมถึงถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในสี่ของอัลกุรอานเรามาดูที่มาที่ไปของซุราะกาฟิลูนกัน อะไรคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกอลอสจะประทานูุร้อนนี้มาให้กับท่านอับดุลเบบีมสาาาุสลลัมของเราเลยพ่ที่ว่าสันลังเหตุการณ์เกิดขึ้นครับเมื่อหลังจากที่ว่าชาวกูเรชเนี่ยพบว่าท่านอับดุลเบบีมสาาุสลลัมของเราสันหลังไม่หยุดยั้งการเผยแผ่สันลังแน่นอนเขาก็เลยไปให้ข้อเสนอกับท่านอบีบอกว่าเอายี้ไหมวันคุ้มสัลัมุสลลัมมาบรอกแกตัวเขาบอกเอาอย่างี้ไหม ok ออไหมุฮัมมัดเราจะให้เจ้าเป็นคนที่รวยที่สุด ในแผ่นดินนี้ก็คือในมักกะจะให้ท่านอบดุลาบเป็นคนที่รวยที่สุดคือจะหาทรัพย์สินจะเรียร้ายกันแล้วก็ให้ท่านอบีเอาให้รวยแบบรวยที่สุดในกลุ่มเลยแล้วเราก็จะแต่งงานเจ้าด้วยกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่เจ้าต้องการคือเลือกไปเลยคุณชาวกรซบอวา่าจะเป็นทุลาให้จะให้ฐานะท่านอบีเกียรติยศท่านอบีมีอยู่แล้วชื่อเสียงมีอยู่แล้วคู่ครองก็จะหาคู่ครองที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านอบีจะต้องการ ขอแรกกับอะไรครับให้ท่านอบีเลิกด่าว่าพระเจ้าของพวกเขาได้แล้วเลิกฝืนแพร่แต่เ้าเขาใช้คำว่าเลิกด่าว่าพระเจ้าของพวกเขาซึ่งท่านอบดุลเลาะห์เคยด่าว่าอะไรใครหรือเปล่าครับท่านอบีไม่เคยด่าว่าอะไรใครท่านอบีเพียงแต่ถ้าท่านจะพูดก็คือว่าพูดให้เตือนสติบอกว่าในเมื่อกราบไหว้พระเจ้าคืออัลลอฮ์แล้วทําไมไม่กราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวทําไมกราบไหว้อัลลอฮ์แล้วต้องมีสื่ออื่นมาคู่เคียงกับอัลลอฮ์ด้วยทั้งทั้งที่สื่ออื่นนั้นมันก็ ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็คือก็พูดตามข้อมูลความเป็นจริงแต่ชาวกุลิชก็บอกว่าหยุดได้ไหมหยุดดาวะหยุดเผยแผ่ได้แล้วถ้าท่านเอเบีหยุดใจท่านเบีรวยที่สุดแล้วก็ให้มั่งคั่งที่สุดมีคู่ครองที่ดีที่สุดท่านที่เป็นไปได้ท่านเอบีมื่อสรรมองอะไรอีกเมืสรรมบอกว่าไงครับเป็นไปไม่ได้เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ผู้สร้างทุกสรรพสิส่งดุนย์ยาทั้งหมดมาแลกมันแลกไม่ได้อยู่แล้วชาวกุลิชก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะ เรามาปารนีประนอมกันไหมคือถ้นาน่านมูีหยุดไม่ได้มาปารนีประนอมเรื่องการปรนีประนอมเป็นสิ่งที่ดีนะครับโดยพื้นฐานแล้วการปรนีประนอมเป็นสิ่งที่ดีคือไม่สร้างให้เกิดความแตกแยกแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ว่าจุดที่ว่ามันหักมันต้องยอมให้หักเลยงอไม่ได้แต่หลายเรื่องมันงอได้ก็งอแต่ถ้าเรื่องที่งอไม่ได้มูซิมเราจะไม่งอเด็ดขาด อชาวุริชบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดละอฮุอลลอฮ์ของเราเลยซาลัมบอกว่าเราประนีประนอมกันไหมท่านนบีก็ถามว่าจะประนีประนอมกันยังไงล่ะจะให้ทำํำยังไงชาวกุริชก็บอกเอาอย่างนี้เลยพวกเราทั้งหมดทั้งพวกของคุณทั้งนบีแล้วก็สหายทุกคนพร้อมชาวกุริชทุกคนที่อยู่ในมักกะเนี่ยเราจะขอทําการกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีกราบไหว้แต่อัลลอฮ์ หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีก็กล่าวว่าอัลลอฮ์พร้อมกับบรรดาชเวิตทั้งหลายที่อยู่กับเขาก็คือหนึ่งปีเป็นมุสลิมอีกหนึ่งปีก็เป็นมุสลิมสลับกันโอเคไหมซันน บ, บีมัสล ล, สลัลฮวาเลสลามก็บอกว่าฉันขอรอคําสั่งจากอัลลอฮ์ก่อนขอรอคําสั่งจากอัลลอฮ์ว่าเคสนี้อัลลอฮ์จะว่าอย่างไงพอัลลอฮ์ก็ประฮานสาลอที่ลงมาเลยตึง้งชัดเจนมีทั้งหมดกี่อายะนะครับหกอายะ ถ้าเราสังเกตดูเหมือนกับว่าจะวนไปวนมาสซ้ำไปซ้ำ ม, มาแต่ว่าคําทุกคําที่พู้อัลลอฮ์ใช้นั้นมีประเด็นแล้วก็มีความงดงามอยู่ผู้อัลลอฮบอกตอนแรกว่าไงครับคุณอยาออยูฮัลกีฟิรุนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดให้พูดกับใครครับพูดกับบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกีฟิษอัลกีฟิรุนกีฟิรุนคือผู้ปฏิเสธทั้งหลายสุบฮานัลลอฮ์ครับ ตอนเนี่ยที่อัลลอ์สั่งให้ท่านนบีพูดพูดกับกลุ่มไหนครับชาวกุรชชาวกุรชชาวกุรชกลับว่าอัลลอฮ์ไหมกลับว่าอนนัลลอ์ก็คือถูกต้องครับคือชาวกุรชเนี่ยกลับว่าอัลลอฮ์เชื่อมั่นว่าในโลกเนี่ยจักรวาลเนี่ยมีพระเจ้าคืออัลลอฮ์องเดียวแต่ในขณะเดียวกันเขามีความเชื่อว่าในหลายๆเรื่องที่เราอยากจะขอเนี่ย ขอจากอัลลอโดยตรงเนี่ยมันไม่ขังพออ่ามันต้องผ่านคนดีๆที่ตายไปแล้วอย่างเช่นคนดีๆชิวะเลสชิชูอุซาทิชูออาชมานาัดทั้งหมดเป็นคนดีที่มีชีวิตอยู่ในปรติศาสมา ก, ก่อนแล้วเป็นคนดีมากๆเลยพอเสียชีวิตไปปุ๊บเขาก็เลยบอกว่านี่แหละเราเอาเป็นสื่อถ้าจะขอจากอัลลอให้ขอผ่านรูปเหมือนของบรรดาท่านเหล่านี้ให้เขาไปขออัลลอฮอีกที มุสลิมครับเป็นคนดีก็คือว่าเวล า, าบางท่านนี่คือว่าจะคอยเลี้ยงอาหารให้กับคนที่มาทําฮัทคนที่มาสแสวงบุญที่มักกะเขาก็จะมีการเลี้ยงนะ้ำมีการเลี้ยงอาหารคือ <Felipe. S 1> เป็นคนดีที่สังคมรักอ่ะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในวันนี้เรื่องที่น่ากลัวสําหรับมุสลิมหนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดจะคุยกันในวันนี้แต่ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าตอน เ, อ เ, เ<ร>นี้ยเรากําลังพูดเรื่องอะไรนะครับเรากําลังพูดถึง คำสั่งที่อัลลอ์สั่งให้ท่านอับดลบีมอสรอห์ฮพูดกับมรลาชาวกูรสซึ่งทุกคนกราบไหว้อัลลอฮ์แล้วเชื่อมั่นว่าอัลลอ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่เขาคิดว่าต้องเวลาจะขอต้องขอจากผู้อื่นเพื่อให้ไปถึง Allah Allah อ, <า>อัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกพวกเขาเหล่านั้นว่ากาฟิรูนประเด็น น, นี้หน้าหน้าหน้าหากลัวประเด็นนี้หน้ า, ากลักว ไม่ได้เรียกว่าผู้ที่ตั้งภากีแต่พเพราะเรียกเลยว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาบางคนอาจจะถามว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธนี่เขาก็เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ทาไมถึงถูกเรียกว่าเป็นผู้ปฏิเสธท่าในใดตอบได้บ้างครับถ้าเกิดมีคนถา ม, า ม, มบาร์ละก็รอฟีกลุ่มครับก็คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แค่เชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว พราะผู้ที่เชื่อมั่นว่าอลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเน่ยเยอะอิบราฮิมเชื่อไหมว่าลรเป็นพระเจ้างองค์เดียวเชื่ อ, อเป็นคนดีหรือคนไม่ดีครับคนไม่ดีกลุ่มชนยูก็เช่นเดียวกันเชื่อมั่นไหมว่าลเราเป็นพระเจ้าเพียงองเดียวเชื่อมั่นแต่ถามว่าผ่านไหมก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยครับต่อให้ใครก็ตามที่เข้าใจว่าตนเองเป็นมุสลิมผมใช้คํำว่าเข้าใจไปเอง แต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจของตนเองยังมีสิ่งที่เป็นชีริกยังมีนางกวัก <c oughs> วันนี้พูดตรงๆชัดๆจะได้ไม่ต้องตีความ <c oughs> ยังมีนางกวักแล้วก็เชื่อว่านี่นะนานกวักเนี่ยมันให้คุณให้โทษได้มันสามารถทําให้ริสกีมาหาเราได้ราพีีี่่่นนน้อองสวทะไ เว้ยละคาถาหรือว่าอะไรก็ตามอันนี้คือเนื้อหาอย่างละเอียดในชาร์ล่าเราได้คุยกันในช่วงของตะฮีสนะครับที่อาจารย์นวุฒผมคิดว่าอาจารย์นวุฒท่านชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นนี้เราคุยในส่วนของสุลต่กาฟิลนก็คือที่ต้องเตือนไว้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมุสลิมเราบางทีบงผมเจอร้านอาหารมุสลิมห้อยตะกุด<ม>ถาว่าเป็นมุสลิมไหมเขาบอกเขาเป็นมุสลิมแต่ถ้าเรามาดูในอัลกุรอานสุลต่านกาฟิลนอัลลอฮ์เรียกใครก็ตาม ที่ไม่ได้กราบไหว้อัลลอฮ์ตามรูปแบบที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฯนำมาพอเราเรียกว่ากาฟิรูนหมดเลยแต่ต้องยังไงคนกลายเป็นมุสลิมไม่ใช่แค่เชื่อมั่นวา่าเราเป็นพระเจ้าเพียงองเดียวแต่ต้องกราบไหว้อัลลอฮ์ตามรูปแบบที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฯนำมาเท่านั้นเพราะบางคนบอกฉันเชื่ออัลลอฮ์แต่ฉันขอใช้วิธีของนบีซาได้ไหมของพยยระเยซูได้ไหมคุณคือคริสเตียน ไม่ใช่กลุ่มชนที่อัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานว่าเป็นกลุ่มชนที่รอดฉันใช้แบบยูได้ไหมขุนก็ไม่รอดเหมือนกันถ้าจะเป็นมุสลิมจุดเริ่มต้นคือต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ า, าเพียงองค์เดียวใช่นี่คือจุดเริ่มต้นแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ยังไม่ทําให้เป็นมุสลิมเพราะเวลาจะเป็นมุสลิมเราต้องกล่าวกมามัชชาระดะใช่ไหมครับชาดะมีวัคเดียวหรือสองวักสองวั ก, อ, วกอ่าชาดะมีสองวักใช่ไหม และอิลลฮ์อิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรกับการสักการะนอกจากอ AH. ัลลอฮ์หมายความว่าตั้งแต่นี้ไปตลอดชีวิตฉันจะกราบไหว้อัลลอฮ์หลังจากนั้นเราบอกว่ามูฮ ul ัมมัดดูรอสูลุลลอฮ์มูฮัมหมัดเป็นศาสนทพุอของพระองค์ทําไมเราถึงต้องบอกว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนาพุอของพระองค์เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะกราบไหว้อัลลอฮ์ตามรูปแบบที่ท่านนาบีนํามาเท่านั้นเราจะไม่คิดเองเราจะไม่บอกว่ามันน่าจะดีหรือว่าอะไรก็ตาม ประเด็นนี้สําคัญนะครับเ ค, เเคเลียเนาะอ้าวเคลียอัลลอฮ์พูดถึงชาวกูเรชที่กววล่าวไหวอัลลอฮ์แต่มีสิ่งอื่นคู่เคียงกับองค์ด้วยอลัลลอฮ์เรียกว่าไออยูฮัลกาฟิรุนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาตามรูปแบบที่ท่านอับดุลเบีสยสสโรวิซัมนำมาทั้งหลายเพราะชาวกูเรชไม่ยอมกววอล่าวไหวอัลลอฮ์ตามที่ท่านอบียนำมาเขาจะกววล่าวไหวอัลลอฮ์ตามที่เขาทํากันมาตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาทํากันมา และอะบูดูมาตะบูดูนในภาษาอาหรับนะครับผมขอปูความรู้พื้นฐานเล็กน้อยในเรื่องของการใช้คําภาษาอาหรับภาษาอาหรับจะมีการใช้กิริยาอดีตปัจจุบันควบอนาคตรวมอยู่ในตัวเดียวปัจจุบันควบอนาคตเราเรียกว่ามุดอเละคือจะมีการใช้อดีตคือมาดีปัจจุบันควบมูดอเละปัจจุบันควบอนาคตเรียกว่ามุดอรละแล้วก็ประโยคคําสั่ง แรียว่าเฟลูนอ um ัมมาดีมุดอแรอัม um มาดีคืออดีตผ่านมาแล้วมุดอแรคือปัจจุบันกับอนาคตอัม um คือคําสั่งทํำไมผมต้องพูดเรื่องมาดีมุดอแรอัม um เพราะว่าในสนลัลกาเฟรุนจะมีการใช้คําที่ว่าเหมือนจะต่างกันเล็กน้อยก่อนที่ผมจะแปลนะครับผมขออ่านอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะบอกว่าตรงไหนที่ต่างกันพุทยะอิมพ um ัลกาเฟลูนไม่มีอะไรอันนี้มีเฟลูนอ um ัมคําสั่งใช้ตรงคําว่ากุลจงพูดจงประกาศออกไป แต่อายะที่สองครับลาอะบูดูมาตาบูดูใช้คําว่าอะบูดูอะบูดูนะครับนี่คืออายะที่สองอะบูดูแต่พอมาดูอายะที่สี่เวลาอานะอาบีด um ุมจากตัวเลกอาบุตตอนนี้ใช้เป็นอาบิดหลังจากนั้นครับกลับไปดูอายะที่สองอีกครั้งหนึง่งมาตาบูดูนตาบูดู ครับอายะที่สามเวลาอันตุมอาบิดูน่ะมีตะบุดูนมีอาบิดูนอายะที่ส um ี่คืออาบัตตุมขอมาพมอา จ, จะไปเร็วนิดหนึ่งถ้าไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวว่าก็คืออยากให้เห็นความสวยงามของการใช้ภาษาในอัลกุรอานเท่าที่จะเป็นไปได้ในสรรากาฟิรู น, นี้ถ้าสังเกตดูจะไม่มีการใช้กิริยอาอดีตกับฉัน กับท่านอับดุลลาห์วะยุสลออัรรมจะไม่มีการใช้กริยาอาดีตจะมีการใช้มูดอรแรจะมีการใช้อั้มในขณะที่พอพูดกับผู้ไปเศษสัทธาจะมีทั้งกริยาอาดีตไปทั้งปัจจุบันแล้วก็มีทั้งคําสัง่งแล้วก็มีทั้งอิสุนไฟแองทีนี้ผมจะเริ่องแปลแล้วนะครับจะแปลตามศัพท์ที่เป็นอินชาอัลลอฮ์แล้วจะได้อธิบายว่ามันต่างกันยังไงอายะห์ที่สองพวกอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าให้เราประกาศออกไปว่าลาอับูดู ฉันจะไม่กราบไหว้มันจะไปลว่าตอนเนี่ยฉันไม่ได้กราบไหว้แล้วฉันก็จะไม่กราบไหว้มาตะบูดูนสิ่งที่พวกท่านกำลังกราบไหว้กันอยู่ mm. การที่ไม่ได้ใช้เป็นรูปแบบของกริยาอาดีตการที่ไม่บอกว่าฉันไม่เคยกราบไหว้สิ่งที่พวกท่านกราบไหว้เพราะว่า มุสลิมเราบางท่านไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่กําเนิดถูกไหมครับบางท่านอาจจะเคยแกลบไหว้สือ่อนอกจากอเราบางท่านอาจจะเคยพังพาดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเตาบ้านเรารู้แล้ว่าจะเป็นมุสลิมเป็นยังไงเนี่ยแล้วจะอ่านสุรากาฟิรูนเพราะฉะนั้ น, นกูรานจึงไม่ได้ใช้สำนวน ว, นว่าอดีตถึงตรงนี้บางท่านจะเริ่มมึนจะเริ่มงงเพราะว่าผมเริ่มลึกเข้าไปเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมหยุดแค่นี้ในส่วนของลึกผมแปลธรรมดาเลยละกัน และอาบูดูมาตาบูดูนฉันจะไม่เขารบพักดีฉันจะไม่กราบไหว้าคาว่าอิบาดะแปลว่าอะไรครับทบทวนทบทวนความรู้ปกติเขาจะแปลว่ากราบไหว้แต่ถ้าจะแปลจริงๆคําว่าอิบาดะจะแปลว่าอะไรก็ตามที่ทําเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งพอใจเรียกว่าอิบาดะอะไรก็ตามที่ทําให้เขาพอใจ อย่างเช่นเราทําอิบารัดาเพื่อ Allah ก็คือเราทําสิ่งที่ทําให้อัลลอฮ์พอใจเราถ้าใครที่ทําอิบารัดากับรูปเจเวตเปลือยอะไรก็ตามก็คือเขาพยายามทําตัวให้รูปเจเวตเหล่านั้นพอใจเขาอันนี้คือความหมายของอิบารัดาก็คือการทําอะไรก็ตามเพื่อให้สิ่งที่ศรัทธาเนี่ยพอใจพระญาติที่สองครับปละลอบบอกเลยครับฉันจะไม่กราบไหว้ในสิ่งที่พวกท่านกราบไหว้ จะกราบไหว้กันหรือว่ากำลังกราบไหว้กันอายะที่สามวลาอันตุมอาบิดูนามาอาบุตแล้วพวกขั้นทั้งหลายก็ไม่ใช่ผู้ที่เคารพกราบไหว้ต่อสิ่งที่สั้นนั้นเคารพกราบไหว้หรือว่าเคารพพักดีครับไม่ใช่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ที่เวลาอาณาอาบิดุมมาอาบัตตุม และฉันก็ไม่ใช่ผู้ที่เคารพพักดีในสิ่งที่พวกท่านเคารพพักดีเวลาอั้นตุมอาบิดูนามาอาบุตแล้วพวกท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่ผู้ที่เคารพพักดีต่อฉันที่ต่อผู้ที่ฉันเคารพพักดีสองอาย่านี้มีการย้ำสองรอบสับเหมือนกันเดะเลยเวลาอันตุมอาบิดูนามาอาบุตรมีการย้ำสองรอบข้อหมายข้อบคุม และกุมดีนุกุมวิยาดีนสำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่านสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันเอาละครับมาเข้าประเด็นที่เหลือกันสุร้อนนี้ครับมีอีกชื่นว่าสุรบรารรออบรรออาก็คือการประกาศความไม่เกี่ยวข้องหรือประการประกาศความบริสุทธิ์คือฉันไม่เกี่ยว มีครั้งหนึ่งครับซอบ้ได้มาถามท่านอับดุมฮัมมัดสุลลองรอยซัมแล้วก็บอกอยากสุลาะช่วยสอนฉันหน่อยว่าก่อนนอนเนี่ยฉันควรจะอ่านอะไรมีอะไรที่ว่าฉันควรจะอ่านก่อนนอนซึ่งอย่างที่เรารู้พวกเรารู้คือมีมีหลายบทใช่ไหมครับที่ท่านอับดสอนไว้ที่ท่านอบีุลสอนในครั้งนี้ท่านอบีบอกว่าให้อ่านอัลกาฟิรุนซะเพราะมันเป็นการประกาศความบริสุทธิ์ว่าเรานั้นบริสุทธิ์จากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ นะครับปกติก่อนนอนใช่ไหมครับถ้าเราอยากป้องกันชัยตอนป้องกันสสยศาสตร์ป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำา้ายเราเราอ่านสามกุญอ่านกุลหูอ่านกุลเนสอ่านกุลฟลักแล้วก็สุนนะให้อ่านกุลกาฟิรูนกาฟิรูนไม่ใช่เพื่อเป็นการป้องกันความชั่วร้ายเหล่านั้นแต่เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่อันตรายที่สุดในการเป็นมุสลิม คือชายตอนอาจจะมากวนเราอาจจะมาล่อลวงเราอาจจะมาทําให้เราทําสิ่งที่ชั่วร้ายหรือเราอาจจะโดนเล่นของอะไรก็ตามทั้งหมดนั้นมันยังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับมุสลิมแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับมุสลิมคือการที่เรานั้นกลายเป็นคนทําชีริกต่ออัลลอฮ์โดยที่เรารู้หรือเราไม่รู้น่ากลัวที่สุดทำไมาถึงน่ากลัวที่สุดครับ พ, อพอระผู้เป็ลเจ้าทรงตรัสกลาไว้ชัดเจนใช่ไหมครับว่า อินนัลลอฮ่ลาญักฟรุอื่นญุษร์กะบิฮิวยักรุมาดูน ذلك ลิมิยาชาแน่นอนพระองค์ลอ้นจะไม่มีวันยกโทษให้กับใครก็ตามที่ทำชีริกต่อพระองค์ใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ใครก็ตามที่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอยู่ในแับ เ, เดียวกับพระองค์แต่ในบาปอื่นพระองค์จะทรงยกโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทร ง, งประสงค์เพราะฉะนั้นสำหรับมุสลิมสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือ กลัวว่าเราจะเผลอทำชีริกเพราะอาการเป็นกาเฟซมันชัดเจนเนี่ยครับถ้าใครทำตัวให้ตัวเองเป็นกาเฟซแต่มันชัดเจนแต่ทำไรมันเป็นชีริกบางทีเราไม่รู้ตัวบาปใหญ่เมื่อไร่ก็ตามที่เราทำบาปใหญ่เนะี่ยมาเป็นความชั่วร้ายที่ว่าเป็นบาปแต่พราะอรหันต์ถ้าไม่แต่อัจจะยกโทษให้แต่ถ้าถึงขั้นชีริกถ้าเจ้าตัวไม่กลับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงพระ อ, องค์อลจะไม่ยกโทษให้กับเขาเด็ด น, นี่คือความน่ากลัวถึงขั้นว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลลของอาเลอุสซาลามอ่านแทบจะทุกวันอ่านแทบจะทุกวันเพราะทะเลสายรายงานที่ซอบาบอกว่าที่อยู่กับนบีมาหนึ่งเดือนเต็มเต็มสุนัสองรากหลังเฟเชอรี่ท่านนบีก็อาก่านสองรากาหลังมัคคิรท่านนบีก็อ่านพอมีคนมาถามว่าฉันควรจะอ่านอะไรก่อนนอนท่านนบีก็บอกว่าให้อ่านสุรละนี้ก่อนนอน แปลว่าคนที่เป็นมุสลิมเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่มั่นใจว่าฉันไม่มีทางทำชีริกเพราะขนาดคนที่ดีที่สุดบนโลกขั้นยังขอความคุ้มครอง่อนละทุกวันแทบแตทุกวันแล้วเราเป็นใครใช่ไหมครับทำไมเราถึงมั่นใจว่าฉันไม่มีวันทำชีริกอย่างที่ผมเตือนประจำถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของบาปใหญ่นะครับบาปเนี่ยมันมีหลายระดับ บาปมีหลายระดับบาประดับที่ว่ามันอาจจะทำลายการงานอื่นของเรากับบาปที่ว่ามันจะทำลายทุกอย่างของเราสำหรับคนที่เป็นมุสลิมมีสองอย่างที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วมีสองอย่างที่เราห้ามทำถ้าไม่อยากให้การงานเราเป็นโมฮะถ้าไม่อยากให้การงานของเราเป็นโมฮะพราะมุสลิมเราเราทำอิบาด์ดเนี่ย แล้วขอดัวจาตอัลลอฮ์เป็นประจำใช่ไหมครับว่าอ um ัลลอฮ์หมายในอัลกุรอานว่าฟิอันวาริสกันตยิบันวะอามะลันมุตักอบบาลันล้วขอรัวจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ฉันขอให้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะริสกีที่ดีงามนะแล้วสิ่งที่ชั้นทําเนี่ยขอให้มันถูกตอบรับเพราะว่าการงานอาจจะไม่ถูกตอบรับหรือบางทีการงานที่เราคิดว่าเราทํามันเป็นความดีอัลลอฮ์น่จะรับมันกลับไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยก็เป็นไปได้ เพราะนันมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังแลวมีอะไรบ้างที่เราต้องห้ามทำสิ่งที่มุสลิมเราต้องระวังให้มากที่สุดสองอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของการละหมาดเรื่องของการละหมาดเพราะอย่างที่พูดย้าจะพยายามพูดย้าบ่อยๆก็คือเหมือนกับที่ท่านบีมัสโอลรอยซามได้พูดไว้ว่าสิ่งแรกที่บาศจะถูกสอบสวนคือการละหมาดถ้าการละหมาดของเขาไม่ดี พรา่อละละอกก็จะบอกกับมาเลย์แกว่าดูซิว่าเขาได้ละหมาดซุนนะอะไรบ้างไหมจะได้เอามาอุดเอามาเสริมสัดดูให้มันสวยงามขึ้นถ้าไม่มีท่านอะบีบอกว่าถ้าเกิดว่าการละหมาดของเขาไม่ดีทุกอย่างก็จะไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าการละหมาดของเขาดีทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามรูปแบบของการละหมาด ทำใหมุสีมต้องระวังเพราะบางครั้งเราไปหวังแจ็คพอตมากเกินไปบางทีเราไปหวังอย่างเช่นเราไปหวังการทําฮัตส์โอ้ถ้าฉันทําฮัตส์นี่ฉันเหมือนกับล้างบาปกลับมานี่เขาต้องเรียกฉันฮัตดีแล้วฮัดีฮัต ย, ยาแล้วคือจะเรียกคนทั้งโลกต่อให้คนทั้งโลกจะเรียกเราว่าฮัตดีคนทั้งโลกจะเรียกเราว่าฮัตยาถ้าอัลลอฮฺไม่รับมีประโยชน์ไหมไม่มีในยุ ค, ย, คยุคท่านอุมัตยุคท่านอุมัตท่านอุมัตอยู่ยุคไหนครับ ท่านอบบีมัสละลลออสัลลัมหลังจากท่านอบีเสียชีวิตท่านเป็นผู้ปกครองคนที่สองแปลว่ายุคไม่ไกลจากท่านอบีถูกไหมยุคไม่ไกลจากท่านอบีเพิ่งผ่านการเสียชีวิตของท่านอบีมายังไม่ถึงร้อยปีเลยครั้งหนึ่งครับท่านอุมัตอยู่กับลูกชายของท่านในช่วงทําฮัตคนมาทําฮัตแบบล้นหลามเลยไม่รู้ว่ากี่กี่แสนกี่ล้านลูกชายก็อุทานให้พ่อฟังว่าพ่อคนมาทำฮัตเยอะจัง ทารุมัตตอบลูกว่าไงทารุมัตตอบกับลูกว่าลูกเอ๋ยคนที่มาทําฮัตเนี่ยมีเยอะแต่คนที่ได้ฮัตเนี่ยมีน้อยทารุมัตพูดยุคโน้นนะยุคที่ว่าอิสลามยังมีความเข้มข้นมากกว่ายุคนี้แบบมหาศาลแต่ทารุมัตกับพูดเตือนสติลูกว่าที่ลูกมาเห็นเนี่ยลูกคิดว่าทุกคนจะได้ถูกรับฮัตของเขาหรือเปล่าไม่มีใครดู ยิ่งถ้าเกิดใครก็ตามทําฮัทรู้สึกเหมือนกับไปชุบตัวมาแล้วถ้ากลับมาไม่รักษาการละหมาดเลยพูดได้เลยว่าฮัทนั้นไม่ถูกตอบรับผมไม่ใช่คนตัดสินท่านอบีบอกเพราะท่านอบีบอกว่าถ้าการละหมาดไม่ดีมันไม่มีทางที่อะไรจะดีทำฮัทไม่มีทางดีไม่มีทางได้เรื่องถือสัญลตไม่มีทางได้เรื่องใจสกัดไม่มีทางได้เรื่องต่อให้เขามีโอกาสเจอคืนเลละตุ้นก็ทุกปีก็ไม่มีประโยชน์ไร้ค่า ถ้าไม่สามารถรักษาการละหมาดได้เพราะสันนบาบอกไว้ว่าถ้าการละหมาดไม่ดีมันไม่มีทางที่อะไรจะดีอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ว่ามุสลิมเราต้องระวังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องขอ ง, ขอ ง, ของการละหมาดให้มากที่สุดอย่าไปให้ความสําคัญกับอะไรที่ว่าโบนดสเยอะๆมากเกินไปเพราะมุสลิมเหมือนกับว่าอะไรที่ทุ่มแบบชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวประเดาเราทําง่ายหน่อยอย่างละหมาดต่เราเวียปีนึงจะสาิบวันอาจันทุ่มได้มาแค่ละหมาดวันละครั้ง แต่การรักษาการละหมาดมันยากกว่าซึ่งเราบอกเลยครับวอสตอบิทต้องสั่งใช้ว่ามุดอัลกับิสตอลาติวอสตบิทอะไลียสั่งใช้ครอบครัวของเจ้าในเรื่องของการละหมาดรักษาการละหมาดดำรงการละหมาดและจงสั่งไชให้อดทนในการทํามันในการทําละหมาดแปลว่าเนื่องละหมาดยากเลยอ่านั้นสิ่งแรกที่มุสลิมตั้งความสําคัญคืออะไรนะครับการละหมาดถ้าการละหมาดไม่ผ่านคุณทําความดีตลอดชีวิตไร้ค่ะ อันนี้คือสิ่งท่านรบียวสโตรซามเตือนเราไว้อันที่สองที่มุสีฟให้ความสําคัญคืออะไรครับคําพูดคําพู ด, พดจากคาริสี่ว่าท่านมูอัซบินชาบัลละครับท่านมูอัซบินชาบัลซึ่งเป็นซาบะอวุโสท่านรบีส่งไปปกครองที่เมืองเยเมนไม่มีโอกาสอยู่ตอนที่ท่านเบียวสโตซามเสียชีวิต ท่านมูฮัตครั้งหนึ่งไปถามนบีออรซูลอช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันทําอะไรแล้วฉันจะได้เข้าสวรรค์ฮาดิษบท น, นี้เป็นฮาดิษยาวท่านอบีก็บอกว่าทานี้สูงสุดของการศาสนาคือย่างนั้นสูงสุดของนี้คือ น, นี้ให้ทำอย่างนี้ท่านี้บดุลเบีพูดถึงประตูของความดีงามทั้งหมดในฮาดิษบท น, นี้แต่ว่าเมื่อท่านอบีพูดความดีทุกอย่างท่านอบีพูดปิดท้ายว่าไงครับมูฮัต จะให้ฉันบอกเจ้าไหมถึงสิ่งที่มันจะสามารถลบล้างทั้งหมดที่ฉันพูดมาได้ตัวแปรที่เป็นปัจจัยที่สามารถจะลบล้างทุกอย่างที่พูดมาเพราะท่านมัสยิดถามถึงสิ่งที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมท่านอบีบียควาถึงการชาดาการละหมาด ก, การสกัดเห็นสวดธรรมะบอกถึงการจีฮัดบอกถึงการอะไรที่มันเป็นสิ่งดีบอกทั้งหมดแต่ท่านอบีบอกว่ามาล้วกิกุณหลือใช้มีสิ่งที่ว่าจะจัดการทุกอย่างความดีที่ว่ามาเนี่ย ท่านวาสัสบอกว่ามันคืออะไรเดียรยอร์ซูลเหรออะไรที่เป็นปัจจัยตัวแปรที่จะทําให้ทั้งหมดที่ท่านพูดมาเนี่ยทําให้ฉันได้เข้าสวรรค์ท่านนบีแลบลินแล้วก้าวหนูจับลิน้นอัมซิกอะเลกาลิซาเนี่เธอจงระวังลิ้นนี้ระวังสิ่งที่ลิ้นนี้มันพูดออกมาท่านวัชสิแล้วตกใจแล้วบอกเยอร์ซูลว่านี่เราจะถูกเอาในทุกคําพูดที่เราพูดเหรอ ท่านนบีมัสยิดส์สลามบอกว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าเหตุผลหลักที่ทําให้คนถูกเอาหน้าไถไปกับผื้นดินแล้วถูกลากเท้าโยนงไปไฟนรกเกิดมาจากลิ้นของเขาหมายความว่าต่อให้เราทําฮัชนะต่อให้รักษาการละหมาดนะต่อให้รักษาการละหมาดละหมาดตลอดชีวิตไม่เคยขาดแต่ถ้าไม่สามารถรักษาลิ้นของเราได้ทั้งหมด ศูนย์เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมต้องระวังผมคงไม่พูดเยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหัวข้อไปซะงั้นสองสิ่งที่มุสลิมต้ความสําคัญต้องระวังกับมันให้มากๆอย่างแรกคือการละมาดอย่างที่สองคือคําพูดสิ่งที่มุสลิมห้ามทําเด็ดขาดถ้าหากว่าเราอยากจะรักษาการงานของเราไปจนถึงวันเกียร์ไหม เพราะอย่างที่บอกอย่างที่ว่าเรารู้ตอนนี้แล้วก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่วลาเราทปุ๊บอลัลลอ์รับและจบละไม่ใช่สิ่งที่ยากในการทำความดีไม่ใช่แค่ยากที่ทำความดีแต่ที่ยากก็คือยากที่จะรักษามันจนถึงวันที่เราไปเจอเอลัลลอฮ์อันนั้นยากกว่าละหมาดพวกเราละหมาดได้แต่จะรักษาความดีของการละหมาดนี้ไปจนถึงตอนเจอเอลัลลอ์ได้หรือไม่าคาถามอยู่ตรงนี้ สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดสองอย่างครับอย่างแรกก็คือการโอ้อวดชีริกเล็กอันนี้คือสรลกาฟิรูนใช่ไหมครับพูดถึงการต้องไม่ทำชีริกถ้าชีริกใหญ่นี่คือตกศาสนาจบเลยส่วนชีริกเล็กอาจจะไม่ทำให้เราตกศาสนาการโอ้อวดอาจจะไม่ทำให้เราตกศาสนาแต่มันจะทำให้ความดีงามทั้งหมดของเราติดลบทันทีคือความดีที่เราทาติดลบ และสิ่งที่ผมย้ําเป็นประจำแล้วก็ผมเตือนเป็นประจำเรื่องการโอ้อวดนะครับการอวดก็คือการอยากให้คนอื่นมารับรู้ว่าเราทําความดีอะไรไปบ้างหรือการอยากให้คนอื่นพูดถึงว่าเราทําความดีอะไรไปบ้างเพราะบางคนก็มีความสุขไงนี่เขาจะพูดถึงไงบ้างนะวันนั้นฉันไปทำมันนั้นมาฉันไปทํามันนี้มาบางทีก็มีคนมาพูดให้ชวบอกว่าคุณดีจังเลยคุณไปทํำนี้นคุณไปทํานี้บางทีใจมันหลุดไปแล้วความน่ากลัวของเชดิกสคืออะไรครับที่ผมย้ําเป็นประจำ ความน่ากลัวของชีริกเล็กความน่ากลัวของการโอ้อวดสาเหตุที่ทําให้มันน่ากลัวที่สุดสําหรับมุสลิมมีสองอย่างอย่างแรกก็คือมันจะทําลายความดีทั้งหมดของเราอย่างที่สองก็คือเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราทาชีริกเล็กเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราโอ้อวดเราจะไม่รู้ตัวนี่สุดขั้นน่ากลัวเราจะไม่รู้ตัวก็หมายความว่าผมชีริกเล็กเรื่องอะไรไปบ้างผมไม่มีทางรู้เลย ท่านนบีอัลกัตริยบอกไงครับฉันสิ่งที่ฉันกลัวว่าจะเกิดกับพวกท่านไม่สุดคือชีริกเล็กมันจะมาหาพวกท่านในสภาพที่เหมือนกับมดดำบนหินสีดำในสถานที่ในห้องที่มืดมิดมัดมนไม่มีทางเห็นหมายความว่าท่านนบีกําลังเตือนอะไรแล้วครับท่านนบีเตือนว่าหลายครั้งอ่ะคนนอกจะรู้บางทีเราเห็นปุ๊บไอ้นี้มันขี้ขโม้เนาะเคยเจอไหมครับคนที่แบบชอบอวดอะ คือพอเราไปทักเขาว่าอย่าอวดสิเขาจะบอกว่าไงฉันไม่ได้อวดใช่ไหมผมแทบไม่เคยเจอผมแทบไม่เคยเจอเลยใครที่กําลังอวดอยู่แล้วพอไปเตือนเขาว่าคุณกำลังอวดหรือเปล่าแล้วเขาบอกอุ้ยขอโทษฉันกำลังอวดอยู่ผมแทบไม่เคยเจอแทบทุกคนที่อวดเขาไม่รู้ตัวว่าเขากําลังทําชิลิกเล็กอยู่นี่คือความน่ากลัวชิลิเล็กเลยครับ ถ้าอวดอันนั้นเหมือนกันแต่ว่าม า, มามาถึงระดับเดียวกันคนละระดับคือการโอร้อวดนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเคลียร์จิตาคิรกัฬาล้ขอบคุณ ท, ท, ที่ทักมาครับการโอร้อวดกับการทำความดีเปิดเผยไม่เหมือนกันการโอ้อวดกับการทาความดีเปิดเผยไม่เหมือนกันเรากล่าวในกุระในเรื่องของการบริจาคแล้วบอกว่าอินทุบุสระกอรไฟนีอิมมาฮี หากว่าพวกเจ้าจะบริจาคอย่างเปิดเผยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ า, าว่าพวกเจ้าบริจาคอย่างลับๆมันเป็นสิ่งที่ดีกว่า น, นี่คือผมแปลสรุปกุลานมาเพราะอย่างบางกรณีเราจําเป็นต้องมีการทําความดีเปิดเผยจําเป็นต้องมีการบอกให้คนอื่นรับรู้อย่างเช่นสมมุติทางมั ส, สยิดอาจจะเลลายเพื่อจะสร้างมั ส, สยิดแล้วเราเจอว่าตอนที่ยลลายไม่มีใครบริจาคเลยเราก็เลยว่าบางทีเขารอคนแรกบางทีมันต้องรอคนเปิดใช่ไหมครับ อ่าวก็เลยอ่าเปิดไปเลยอ่พี่สาผมบอกอ่าเอาไปเลยหนึ่งล้านสือเราจังเผือกพอมีคนมาดูปุ๊บเฮ้ยมีคนทำความดีเห้เราเราก็อยากจะทำบ้างนะเราก็มันเป็นการกระตุ้นเป็นการกระตุ้นเป็นตัวอย่างที่ดีดครับแต่ก็คือว่าประเด็นครับประเด็นของคนที่จะทำความดีอย่างเปิดเผยเนี่ยต้องควบคุมใจตัวเองให้ดี เพราะมันจะมีมาสรารพัดแล้วมันจะมีทั้งความรู้สึกภูมิใจมันจะมีทั้งความรู้สึกคือชัตอนมันเข้ามาแน่นอนชัตอนมันเข้ามาให้ดูสิให้แกทําความดีดูสิมีคนชมดูสิมีคนยิ้มเห้ดูสิน่ะเป็นแบบอย่างที่ดีนะซึ่ความคิดคนเรามันสรารพัดจะคิดเนีไยครับถ้าเราไม่รีบเหยียบบางทีแล้วเผลอไปพูดที่ผมเคยเจอแล้วผมฟังแล้วผมสะดุ้งเฮือกเนี่ยไอ้หนุ่มฮุก็เขาพูดให้ผมฟัง ตลอดชีวิตนะละหมาดมาสี่สิบปีมาเกยขาดเลยคือผมฟังว่าผมสะดุ้งแบบเออคือพูดให้ผมฟังเพื่ออยากเป็นแบบอย่างให้ผมทําตามหรือเปล่าหรือหรือหรือว่าอยากเล่าสู่กันฟังแต่การละหมาดละหมาดเพื่ออล้อไม่ใช่เลยละหมาดเพื่ออล้อก็ควรเก็บเพื่ออล้อคือสารับป่ะครับบางท่านเนี่ยสารับก็คือคนดีๆยุคก่อนนะครับบางท่านเน่ะ ลุกมาละหมาดตอนกลางคืนถ้าลุกมาตลอดชีวิตแต่เพื่อนบ้านไม่เคยรู้เลยว่าท่านละหมาดต า, ายุดไม่รู้เลยว่าท่านลุกมาต า, ายละหมาต า, ายุดเพราะว่าบางบางทีครับยุคสมัยนี้บางคนจะลุกมาละหมาดตายยุตินี่คือเปิดไฟเปิดบ้านเปิดประตูเปิดหน้าต่างแต่บีถ้าได้ยินเสียงให้รับรู้ว่าฉันกําลังละหมาดอยู่นนี่ก็ดีไมด่ดีผมไม่รู้แต่มันเสี่ยงมันมีความเสี่ยงสูงเลยงั้น การทำความดีเปิดเผยต้องระวังเจตนาตัวเองถ้าระวังเจตนาตัวเองแล้วเราเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วมีคนมาทำดีตามเราผลบุญมหาศาลเพราะท่านอับดุลเลาะห์สุลต่านบอกไงครับใครที่ว่าเขาทำตัวให้เป็นแบบอย่างดีๆสักอย่างหนึง่งเขาจะได้ผลบุญความดีนั้นแล้วความดีของใครก็ตามที่ทำความดีเพราะเห็นเขาเป็นแบบอย่างนั้นด้วยสมมุติเราสกรปรกไม่มีใครทำความสะอาดแล้วลูกไปกวาด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีคนกวา ด, ดเราตลอดเลยเพราะเราทุกคนที่กวาดผลบุญนั้นเราได้ไปด้วยเพรั่งการทําวามเที่ยงเปิดเผยมีข้อดีอยู่มีข้อดีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวมันมีความเสี่ยงคือถ้าทําแบบสั้นเล้นแบบไม่ต้องให้ใครรับรู้อันนี้คือปลอดภัยที่สุดแล้วนี่คือเหตุผลว่าการละหมาดที่ดีที่สุดหลังจากการละหมาดรัดรูคือการละหมาดหัดยุดยามค่ําคืนโดยไม่ให้ใครรับรู้ ในขณะที่คนอื่นเขาหลับกันหมดเราแอบลุกมาไม่ต้องไปปลุกใครนอกจากจะปลุกเขามาละหมาดด้วยท่านบีบอกการละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยดีที่สุดถ้าไม่นับการละหมาดฟัดดูนะครับการละหมาดฟัดดูดีที่สุดอยู่แล้วงั้นทำข้อดีเปิดเผยอันนี้เคลียร์ต่อไปทําความดีโดยมีเจตนาโอ้อวดอย่างที่บอกโอ้อวดมีสองอย่างโอ้อวดอย่างแรกก็คือเราเอาไปโม้ให้เขาฟังโอ้อวดอย่างที่สองก็คือเรารอให้เขาพูดให้เราฟัง เหมือนกับสมัยนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามเฟซอะครับบางครั้งอุซบ ah ิีลาบางทีผมก็รู้สึกก็ต้องพูดอัสซักฟิลล้อบ่อยๆ บ, บางทีพอเราไปโพสอะไรพิมพ์อะไรก็เราดูว่าใครจะพูดถึงมั่งโอ้โพสนี้ดีจังเลยนะขอบคุณนะที่โพสเป็นการเตือนสติบางทีใจเริ่มไม่นิ่งแล้วเนี่เรารู้สึกดีเพราะอะไรเพราะเราได้ทำตัวให้อลล้อรักหรือเพราะมีคนมาชมเรามันขวนะมันขวยงจริงมันเป่งจริง เวลาทำคนดีเปิดเผยแล้วมีคนมาชมเนี่ยเพราะฉะนั้นการทําความดีเพื่อโอ้อวดต้องระวังเพราะถ้าเกิดว่าท่านอบียัดไซส์สมบัตไงครับท่านอบียกคําพูดขอเร้องมาบอกว่าข้ารํารวยเกินกว่าจะมีภาคีใครก็ตามทําอะไรเพื่อข่าแล้วก็เพื่อสิ่งอื่นด้วยเขาข่าจะทิ้งเขาให้อยู่กับสิ่งที่เขาตั้งภาคีแล้วความน่ากลัวอันที่สามของการทําชีริคเล็ก เมื่อกี้ที่บอกไปสองอย่างใช่ไหมครับว่าชีริกเล็กที่มันน่ากลัวสุดสำหรับมุสลิมมีส อ, อย่างอย่างแรกก็คือมันลบล้างความดีที่ผ่านมาอย่างที่สองก็คือมันเข้ามาหาเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ตัวความน่าตัวของชีริกเล็กอย่างที่สามคนที่ทําชีริกเล็กจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ต้องลงในรกเลยครับอาจจะก่อนอิาบาิสที่สาน่ากลัวนะครับ กนมูนาฟิกหรือเขาอาจจะกลายเป็นมูนาฟิกไปแล้วก็ ว, าวาันรอวะลัมคนทําชีวิตก็อาจจะเป็นมูนาฟิกไปเลยก็ได้ทําไมผมจึงพูดอย่างนี้ล่ะผมแก่ดีไงมาพูดผมไม่ใช่เจ้าของสวรรค์ผมไม่ใช่จมมเชจ้าของนรกผมหวังจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะให้ความเมตตาผมให้ผมลอดจากนรกไม่ต้องไปเกียรกายให้เข้าสวรรค์เดยเหมือนกับที่ขอเดินกับพวกเราทุกคนท่านในมสัสยิดัลลอฮ์ห้องอัลลอฮ์สุลามได้เล่าให้กับพวกเราฟังบอกว่าในวันกิยามะเนี่ยก่อนที่พระองค์จะสอบสวนกลุ่มใดก็ตาม พองละล้อจะเอาชายสามคนมาผมขอดูอาจากอล้ออย่าให้พวกเราเป็นหนึ่งในสามคนนี้พองละให้เอาชายมาสามคนมีใครบ้างครับคนแรกเป็นคนที่ว่าเป็นผู้รู้ดังขอดูอาจากล้อให้ผมไม่ต้องเป็นผู้รู้เป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่พอจะสอนคือได้ก็พอไม่ต้องผูร้รู้คนแรกผู้รู้อันที่สองก็คือคนรวย ที่บริจาคมากมายอั น, นแรกนี่ผู้รู้ที่สอนมากมายอันที่สองคนรวยช่วบริจาคมากมายอันที่สามคือคนที่เสียสละชีวิตในหนทางของอัลลอฮ์คือมีเหตุจําเป็นและต้องสู้เพื่อปกป้องและอาจจะปกป้องประเทศปกป้องทรัพย์สินปกป้องครอบครัวอะไรก็ตามแต่แล้วเขาตายไปด้วยการปกป้องนั้นพอร์ลคนสามคนมาสามการงานนี้เป็นสามการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดระ ต, ต้องทําความเข้าใจกันนะ สารอย่างนี้อัลลอฮ์รักมากที่สุดคนที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็สอนมันอันนี้อัลลอฮ์รักมากความประเสริฐของผู้รู้กับคนทํามีบารทะเฉยเฉยแตงกันลิบอันที่สองครับคนที่อัลลอฮ์ให้เขามีทรัพย์สินให้เขาร่ํารวยแล้วก็ทำอีบานะเขาได้บริจาคอัลลอฮ์ก็รักมากในกุรานเยอะแยะครับผมอันที่สามคนที่วะชีฮะตายเพื่ออัลลอฮ์ตัวบทเพียบแต่พวกอัลลอฮ์เอาคนสามคนที่ทำสามอย่างนี้มา พอแล้ว เ, เอาคนแรกมาก่อนขอมาภพบาจะเจดีย์ลาดับผิดนะครับผมคนแรกครับพอแล้ว เ, เอาผู้รู้มาพอแล้ว ก, ก็เอาความปวดปานทั้งหมดในดุนยาที่พงศ์เคยให้เขาเนี่ยเอามาให้เขาดูอ้าวข้าให้ความเมตตาเจ้าอย่างนั้นข้าให้ความเมตตาเจ้าอย่างนี้ข้าให้ยี้ทุกอย่างครบถ้วนแล้วพอแล้ก็ถามว่าใช่ไหมนี่คือความเมตตาที่เจ้าเคยได้รับใช่ไหมเขาก็จะยอมรับบอกว่าใช่นี่คือทั้งหมดที่ผมได้รับจากเลาะหร พวกล้อถามคําถามเดียวทั้งหมดที่ข้าให้เจ้าเนี่ยเจ้าทําอะไรเพื่อข้าบ้างทั้งหมดที่ข้าให้เจ้าความโปรดปรานทั้งหมดในดุนยาสุขภาพทรัพย์สินครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ยข้าให้เจ้าทั้งหมดเจ้าทําอะไรเพื่อข้าบ้างชายคนนั้นเคยบอกว่ายามล้อครับผมได้ทุ่มเทศึกษาเพื่อพระองค์แล้วผมก็ได้สอนคนเป็นจํานวนมากสารก็จาริยาใช่ไหมความรู้ที่ยังประโยชน์สอนไปได้ผลบุญเยอะแยะมากมาย ผมก็ได้สอนเนี่ยเพื่อให้พงเมตตาผมเพื่อพงพอเราบอกไงครับพรอเราพูดสั้นๆง่ายๆเจ้าโกหกเจ้าโกหกอัลลอฮ์พูดชัดเจนที่เจ้าสอนคนอื่นเนี่ยเพื่อที่คนอื่นจะได้มายกย่องว่าเจ้าเป็นผู้รู้แล้วเขาก็ได้ยกย่องเจ้าแล้วได้ตามแล้วได้ตามเจตนาและอยากให้คนชมเป็นผู้รู้สอน มีใครก็โอ้อาจารย์ดีจังเลยโอ้อาจารย์เลยฉันชอบเลยอาจารย์สอนเรียนเจตนาเขวแล้วไงตอนแรกอาจจะเจตนาดีแต่พอไปปุ๊บมันเขวไปพลเราอบอกว่าเจ้าโกหกเจ้าสอนเพื่อให้คนอื่นเนี่ยชมว่าเจ้าเป็นผู้รู้แล้วเขาก็ได้พูดแล้วในวันนี้เจ้าจะไม่ได้อะไรจากข้าอีกแล้วพลเรือรบก็สั่งให้เมริกาจับเท้าของชายคนนั้นลากเอาหน้าไถไปกับดินคือแบบของไร้ค่าแบบไม่มีคุณค่าเนะี่ย จับเท้าแรกเอาหน้าไถไปกลับดีแล้วก็โยนลงนรกไปเลยเอาคนที่สองมาครับชายคนที่สองพวงละล้อก็เอาความปวดปานทั้งหมดที่ทพวงมีให้กับเขาให้เขาดูเขาก็ยอมรับบอกว่าทั้งหมดเนี่ยล้อให้ฉันัเอาแล้วก็ถามคําถามเดียวเหมือนกันแล้วเจ้าทําอะไรบ้างล่ะชายคนนั้นบอกว่าไงครับยาวล้อผมเนี่ยเป็นคนมีทรัพย์สินไงผมก็เลยบริจาคเพื่อพระองค์มากมายเลยใครสร้างสุเหร่าที่ไหนใครเดือดร้อนมาผมช่วยเขาหมดเลยพวงละบอกว่าไงครับเจ้าโกหก ที่เจ้าบริจาคเพื่อที่จะได้คนมาชมเจ้าว่าเจ้านั้นใจบุญแล้วเขาก็ชมแล้วได้ตามเนียดแล้วไงคือเนียดให้คนชมใช่ไหมก็มีคนมาชมแล้วแเราบอกเจ้าได้แล้วในวันนี้เจ้าจะไม่ได้อะไรจากค่ะแล้วล้อก็สั่งใช้ใบก้าจับเท้าชายคนนั้นแย่โยนลากแล้วก็โยนลงไปในไฟนรกคนที่สามก็เช่นเดียวกันอครับคือลงนรกก่อนกาเฟส ลงนรบก่อนมูนาฟิกได้ขึ้นกับวลล้อแลมถ้าเขายังเป็นมุสลิมอยู่ถ้าเขายังเป็นมุสลิมอยู่เขาจะได้เขาด้วยความเมตตาของละพอละบอกว่าขอให้เป็นมุสลิมเแต่ได้เขาสวอนแน่นอนคนที่สามครับคนที่ว่าตายเพื่ออละอัลลอฮ์เก่าความดีให้เขาดูเขาก็ยอมครับครับตายชิดอัลลอฮ์ถามว่าเจ้าทําอะไรบ้างผมสู้เพื่ออัลลอฮ์แล้วผมก็ตายเพื่อพระองค์อัลลอฮ์บอกว่าไงครับเจ้าโกหก เจ้าสู้เพื่อให้คนอื่นยกย่องว่าเจ้านน้นกล้าหาญเข้มแข็งแล้วเขาก็ชมแล้วเจ้าไม่ได้เลยจากค่าแล้วก็จับโยนลงไปในไฟนรกคือจากขีดสุดนี้นะครับถ้าเราดูตามความหมายตรงๆอย่างน้อยที่โดนก่อนนี่คือแค่สามคนแล้วเป็นผู้ชายแปลว่าผู้อญิงรอดหมดเลยยังมีรอดอันหัามเลยดูเลยที่ตามจะต่อไป อ, อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ไม่ใช่สามคนแรกนี้อย่างน้อยก็ไม่ใช่สามคนแรกแต่แปลว่าพวกผมทุกคนที่เป็นผู้ชายที่อยู่ตอนเนี่ยครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นสามคนนี้หมดเลยคือโอเคออผมผมไม่รวยนะผมอาจจะไม่ตายเฉียดแต่ตอนเนี้ยผมเป็นผู้รู้ใช่ไหมผมสอนใช่ไหผมอาจโดนเด็กแรกอันนั้น วันลอยวะลำเขาจะมาอูเขาะมาอูเต้ครับอยู่ที่เหนียบเขาแล้วครับวันลอยวะลำแล้วกถ้าเกิดยังไอ้ายเขาอาจารย์มานัสอาจจะมาชาวลอยลำรวยบริจาคอะโดนอาจจะโดนเด้งที่สองต้องระวังเด้งที่สองส่วนที่เหลือถ้าตายสี่ก็เด้งที่สามระวังให้ดีผมคิดถึงคําพูดของนักเศรษฐศาสตร์นะครับกฎของนักเศรษฐศาสตร์เขามีอยู่ข้อนึงที่เขาใช้กันบ่อยก็คือ high risk high return ความเสี่ยงถูกสูงผลตอบแทนก็สูง คือการงานทุกอย่างที่อลอรักมากมากครับที่อลอรักมากที่สุดเนี่ยถ้าทําเพี้ยนไปปุ๊บก็เกลียดที่สุดเลยจากรักที่สุดกลายเป็นเกลียดที่สุดเพราะนั้นผมเลยบอกว่าสิ่งที่มุสลิมต้องไม่ทําเด็ดขาดคือการโอ้วดัดคือถ้าอะไรที่มันจําเป็นต้องเปิดเผยน่ะเคลียร์กับตัวเองให้ชัดเจนก่อนเคลียร์กับตัวเองนะเคลียร์ว่าไงที่เราทําเนี่ยถ้าเราเปิดเผยเนีเ่ยอลลอจะรักมากกว่าใช่ไหมถามตัวเองให้เป็นประจำ ถ้าเราคิดว่ามันใช่แล้มันต้องเปิดเผยแล้วอย่างบางทีไปจัดค่ายไปจัดกิจกรรมบางทีก็มีรูปถ่ายมีอะไรโพส์มาก็ต้องเช็คเนี้อกับตัวเองว่าที่แชร์เนี่ยมันแน่าจะได้ผลดีมากกว่าผลเสียใช่ไหมถ้าแชร์แล้วเพื่อความสบายใจเฉยๆแบบการเฟซก่อนไปส่งไปแชร์เอาให้มันได้ไประโยชน์จริงๆทีนี้ครับการโอ้วดแบบที่สามอวดในความเมตตาที่อัลลอฮฺให้อย่างทีอ่อาจารย์ถามมา น, นะครับผมอย่างเช่นว่า เ อ, อได้แหวนใหม่มาโอ้ยวันนี้เป็นอะไรกันไม่รู้เนี่ยโอ้ยเออจะชี้ก็ปกติใช้มือชี้นี่ก็โอ้โหสวยจังเลยอะไรประมาณเนี่ยลูกปั ด, <c oughs> ปดบางเตอร์เป็นลูกปัดกันได้ครับ <c oughs> อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟัคูร <c oughs> การหญิงยะโสการทะระนง พ่ออัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ตอนที่ถ้าลุกมานเตือนลูกชายในโซลลูกมารเน่ยนะครับผมถ้าลูกมานได้เตือนลูกชายว่าลูกเ อ, อ๋ยเวลาเจ้าจะเดินเนี่ยจงเดินอย่างถ่อมตนแล้วก็ได้พูดถึงว่าเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดก็คือเสียงแร่แล้วก็พูดทั้งหมดเนี่ยในยะกราเนี่ยอลัลลอฮ์สอนอะไรช่วงท้ายของอัยยะอลัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ไม่รักผู้ที่ เยื่อหญิงจองหองแล้วถ้าเกิดเราดูคนในลักษณะที่อัลลอฮ์ใช้เรียกพวกฟาโรห์ที่ว่าเป็นตวัวบทอัลลอฮ์ก็เรียกเป็นผู้ที่เยื่อหญิงจองหองเยื่อหญิงจองหองก็คือชอบอวดอ้างหรือว่าชอบยอยากให้คนอื่นอยากคุยโวหรือ แ, แล้วก็ตามซึ่งตัวบทในเรื่องการคุยโวเนี่ยเยอะการดดด่างเยอะก็คือมันไม่ถึงขั้นชีริกเล็กแต่มันเป็นบาปใหญ่ได้มันเป็นบาปใหญ่ได้ถ้าเกิดว่ามุสลิมเราไม่รู้จักที่จะขอบขอัลลอฮ์เพราะส่วนใหคนที่อวดเนี่ย เขาจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์จริงเพราะถ้าเขาขอบคุณอัลลอฮ์จริงเขาจะรู้ว่ามันไม่มีเหตุให้เขาต้องอวดเลยคือเขาไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นเหมือนกับคนที่ว่าหล่ออลัลลอฮ์ใจหล่อกว่าคนอื่นบางคนสวยอลัลลอฮ์ให้สวยกว่าคนอื่นถามว่าเขาเลือกได้ไหมเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นบางคนก็ไปดันทุลังต้องไปผ่านมีดหมอเพื่อที่ว่าจะได้หล่อจะได้สวยมากกว่าเดิมแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อเป็นการอวดซึ่งอลัลลอฮ์ไม่รักผู้ที่โอ้อวดจองหอง ับทั้งกุลาธทั้งอดิศรัรองเพราะนั้นไม่ดีมั้งก่นนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นชี้เล็ดครับครับครับเป็นไปได้กันเดียวครับกันเดียวครับอย่างที่ผมบอกอะครับว่า ฮะดีษรักของมุสลิมเจ้าขู น, นะครับก็คืออินเนมัอามาลูบินีอัฟการงานทั้งหมดนั้นเร า, า จ, จะตัดสินคุณค่าตามเจตนาที่ทําตามแรงผลักดันที่เราทําต้องดูว่าถ้าเกิดการที่เราพูดถึงความดีของคนอื่นเรามีเจตนาอะไรเรามีเจตนาอะไรอย่างถ้าเกิดว่าเหมือนกับที่ท่านอับดุลลาห์มูซัลลัมผมยกตัวอย่างตอนที่ท่านอบีเจอท่านชิบินครั้งแรกตอนท่านอบีเจอท่านชิบินครั้งแรกนี่คือท่านกลัวมากตกใจ หัวมากๆแล้วฉั้นก็วิ่งกลับมาหาภรรยาของฉันค็อยที่อย่างไอชาที่อย่างไอช้าก็เอาผ้าห่มมาก อ, อดออาขอโทษครับที่หยิ่งคาริา <c oughs> ผมพูดไอช้าแหละครับ <c oughs> ยังไม่ได้แต่งนะครับยังไม่ได้แตง่งท่านหญิงเอ่อคาริจาครับภรรยาคนแรกของท่านอบเบียสสุลต์มูฮัมหมัดสุลต์สลามไม่เห็นว่าสามีวิ่งกลับมาด้วยความกลัวตื่นตระหนกมากๆบอกว่าฉันเจออะไรก็ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่าสะพึงกลัวไม่รู้จะเกิดอะไรกับฉันท่านหญิงคาริจาโอบกอดท่านอบีแล้วก็บอกว่ามูฮัมหมัดท่านอย่าไได้กลลัวไปเไย ท่านเป็นคนที่ว่าเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติท่านเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนท่านเป็นคนที่รักษาสิทธิ์ของคนที่ว่าเจ้าของสิทธิ์ท่านเป็นคนที่ไม่เคยโกหกถามว่าพูดอย่างนี้เป้าหมายคืออะไรครับท่านเป็นคนดีคือบอกให้รู้ว่าอาลัลลอฮ์จะไม่ทำร้ายท่านนาบีหรอกเพื่อเป็นการปลอบนบีให้ท่านนาบีสงบหมายความว่าการที่พูดถึงความดีของใครที่เขาทำเนี่ยบางครั้งมันก็มีความจำเป็น ต้องพูดเลยลครับอาจจะเป็นเรื่องของการให้กําลังใจหรือเป็นการช่วยทําให้เขาบริสุทธิ์อย่างบางที่อาจจะมีคนบอกว่าไอ้นี่ยมันชอบโดดงานมันอู้มันไม่ทํางานมันไม่มาทำโอทีอะไรก็ตามแต่บางทีเรารู้ว่าเขาไปทําความดีมาบางทีเราก็ต้องบอกให้เขารู้บอกให้คนอื่นรับรู้บอกว่าเนี่ยนะที่เขาไม่ได้มาร่วมทำโอ t ีแหละเขาไปช่วยงานที่อื่นเขาไปทําอย่างนี้เขาไปทำํงงนปทำนี้ซึ่งเป็นความดีงามซึ่งบางกรณีจําเป็นต้องพูดบางกรณีก็สมควรจะพูด บางกรณีก็พูดหรือไม่พูดไม่ต่างกันบางกรณีไม่ควรพูดบางกรณีห้ามพูดอันนี้มันก็มีหลายสถานการณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะมันมีมารยาทจ้ะที่ว่าจะจะพูดก่อนพูดนะกล่ า, าวมาถ้าเราพูดก่อ น, นจะไม่ให้ใชายเข้ามาแทรกบารักกะลาฟิกุบารักกะลาฟีกุมครับก็คือโปกติจะมีการเจือนสติแล้วก็เป็นการป้องกันโรคเอนโรคเอนยังไม่มีโอกาสได้คุยกันสักทีนะครับเป็นการเจือนสติก็คือถ้าเราจะชมใครเราก็ต้องขอบุญอัลลอฮ์ก่อน เราทำดินละหรือว่ามาชาวล้ออย่างเช่นบางทีเราเจอคนหน้าตาผ่องมาสวยมาอย่างเงี้ยมาชาวล้อนะโอ้หวันนี้ตาผ่องจังเลยสงสารทำอมันดีอ right, ล้อเนี่ยจะรักน่าจะเมตตาก็คือเป็นการพูดสิ่งดีๆเป็นการให้กำลังใจแต่ถ้าเกิดว่าพวกที่แบบว่าปากหวานก้นเปรี้ยวอันนี้คือผมคิดว่าแต่ละท่านน่าจะมีประสบการณ์ระดับหนึ่งท่านบีบอิซาไยทุมัาฮินฟาซูฟีบูชูฮิมุตตูรอถ้าเกิดเจอคนที่แบบว่าชอบ ชอบออยกยอปอปั้นเนี่ยถ้านบบีบอกว่าเอาฝุ่นปาหน้าก็คือว่าให้ห่างไกลคนประเภทนั้นเพราะหากอยากจะฆ่าใครให้ชมคนนั้นใช่ไหมครับถ้าชมมากๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเขาไม่ต้องพัฒนาเขาก็เสียคนไปเลยเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดพูดถึงใครสักคนอย่างในที่ประชุมหรอะไรก็ตามถึงความดีที่เขาทําถ้ามันมีเหตุให้ต้องทําก็จบตามนั้นก็มีปัญหาแต่ถ้าเขาจะเสียคนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาละคือถ้าเรามีเหตุจําเป็นให้ต้องพูด แล้วถ้าเราพูดดันไปทําให้เขาทําชิริกเล็กทําดันไปทําให้เขาอ้อวดอันนี้เราไม่เกี่ยวแล้วเพราะถือว่าเราทําในส่วนที่เราจําเป็นต้องทําแน่แน่ที่ว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบในตัวตนของเขาครับวันรองจาละอาลำครับผมเราต้องอ้วนทานี่ละก็คือต้องขอบคุณเราบอกอาทำนี่ละคุณทําสิ่งดีจังเลยขออัลลอฮ์รับการงานของคุณถ้าเป็นไปได้สิ่งที่มุสีมัควรจะอ้ก็คือว่าขออัลลอฮ์ฮักมันจะได้ไปการเตือนสติว่าทําเพื่ออัลลอฮ์ฮักเนอะเรากาลังทําให้อัลลอฮ์รักเพราะฉะนั้น ต้องเตือนสติทั้งตัวเรากับเตือนสติเขาด้วยเพราะบางทีมันมันจะลืมคือพอคนชมมากปุ๊บมันหยุดที่คําชมมันไม่ได้หยุดไปจริงๆว่าเราควรจะไปว่าขอให้รับพอใจเราตัวนี้ประเป็นสาคัญเหมือนกับว่าอย่างละมาดตะเราเวียนะครับผมย้ําบ่อยหน่อยเดือนระมาดอนมันเป็นช่วงที่ว่าเรามีกําลังใจทําความดีมันเป็นช่วงที่ว่าผลบุญมหาศาลมันเป็น ช่วงโปรโมชั่นมันดีสารพัดแล้วก็หลายคนทําความดีตรงนี้ได้อะทำดุรรดิละแต่ว่าบางทีการเอามานั่งโม้กันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาละโอ้ปีที่ผ่านมาชัยละมาตระเวีนเนี่ยมาสู่เราทุกวันไม่ขาดเลยพูดแล้วก็มีความสุขเหมือนกับจะอิ่มบุญบางทีบุญที่เตองอิ่มเนี่ยอิ่มแล้วมันหายไปเรียบร้อยแล้วน่ากลัวน่ากลัวเพราะนั้นครับเหมือนกับที่เ อ, อผมไม่ได้ใจนะ่าจะเป็นเ อ, อ ออมาผมจําชื่อไม่ได้ผมไม่พูดแล้วกันแต่เป็นผู้รู้ท่านหนึ่งก็คือที่ท่านบอกเตือนไว้ว่าการทําความดีนะี่ยมันไม่ยากเท่ากับการรักษาให้ความดีนั้นอยู่กับเราไปจนถึงวันที่เราไปเจอกับ Allah. อัลลอฮฺงั้นสิ่งที่ต้องไม่ทําอันแรกอยู่นาะอันแรกก็คือสิ่งที่มุสลิมต้องไม่ทําก็คือการโอ้อวดไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามต้องระวังให้มากที่สุดที่เป็นไปได้อันที่สองที่ต้องไม่ทําเด็ดขาดเลยก็คือต้องไม่ไปร่วงเกินคนอื่น ต้องไม่ไปล่วมเกินคือแล้วครับ ล, ละเมิดศีลละเมิดศีลทำไมถึงต้องระวังครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่จะทำให้การงานของเรามันไปไม่ถึงอันหรอไปไม่ถึงวันเกียหมถ้าไม่รักษาละหมาดความดีไปไม่ถึงวันเกียร์ไหเนี่ ย, ยไม่รักษาคำพูดก็ไปไม่ถึงวันเกียร์ไหถ้าเกิดว่าไปโอ้อวดมันก็ไปไม่ถึงวันเกียร์ไหแล้วถ้าหากว่าเราไปอาธรรมต่อคนอื่น มันก็มีโอกาสสูงว่าจะไปไม่ถึงวันกียร์มะเพราะพวกเรารู้ดีใช่ไหมครับท่านอบีมัสอัลลอฮฺไวเลซัมได้เตือนเอาไว้ทั้งดุลยากับทั้งอาคีรอเลยนะทั้งดุลยาเนี่ยท่านอบีบอกว่าไงครับหลังจากที่ท่านอบีส่งท่านมูอาสไปท่านมัสบินจับัลตอนที่ว่าท่านส่งไปที่เยเมนนะครับท่านอบีลงทุนจูงพาหนะให้ท่านมูอาสเลยนะท่านม้าัซบนพานะขี่พาหนะอยู่ท่านอบีก็จูงไปให้ระหว่างที่จูงไปท่านอบีก็ พูดกับท่านวัดเยอะแยะเลยอ่ามมอาัดนะเจ้ากำลังจะไปหาชาวคัมภีร์นะเมืองเยมเมนเขานับถือคริสเตียนไปหาชาวคัมภี์นะจงรื้อฟ้องเขาให้ทำความดีงี้ท่านอบีก็พูดจนจบที่ท่านอบีจะพูดแล้ววักสุดท้ายที่ท่านอบีพูดคืออะไรครับแล้วเจ้าจงตักวาคำ ว, ว่าตักวาแปลว่าอะไรครับยำเกรงกลั ว, วเกรงคําว่าตักวาเนี่ยในกุรานในฮะดีษ ที่ใช้เนี่ยหลักๆเนี่ยจะใช้กับเรื่องสําคัญเท่านั้นอย่างอันแรกอล้อบอกเลกว่านว่าไงครับจงตักวาต่ออล้อยาอิพันละดีนามนุษย์แต่กุลโลหะปัตุกอติจงยำเกงต่อล้ออย่างแท้จริงใช้คําว่าตักวาเป็นคํายิ่งใหญ่หลังจากนั้นเขาอล้อพูดถึงวันกี่ยว ม, มาว่าไงครับวัตตะกูเย้ามันตูจูในฟีละอ้อจงตักวาจงกลัววันที่เจ้าจะกลับไปหาอล้อหัตถิสิกบวหนึ่งท่านอบีบอกไงครับจงตักวาต่อนรก มาถึงจงเกรงกลัวต่อ ว, ว่าห่วเราบีชกิลสำับต่อให้จะด้วยกับการทําความดีด้วยการบริจาค ก, กินาผาลำแค่ก้านเดียวอันนี้ก็แสดงว่าเราลกลัวในโกนั้นเราเลยบริจาคอาหารให้คนอื่นเพื่อ Allah จะเมตตาเราอ Allah ใช้คําว่าตักกว่านาบีใช้คําว่าตักกว่าใช้กับคําที่ยังไงคําที่ท่านนาบีมุสลอิมพูดเป็นประโยคสุดท้ายกับท่านมูอัดท่านนาบีบอกว่าจงตักกว่า จงกลัวจงระวังการขอของคนที่ถูกอาธรรมวัตะกิดะวะตั์มั ส, ล, ส ล, ลูฟัยนะฮูไลซาบยนะฮวะบยนะลอฮิชอบท่านบีบอกว่าเพราะมันไม่มีอะไรกัน้นระหว่างการขอนั้นกับอัลลอ์ตัวอย่างเยอะ <c oughs> เยอะเยอะมากเลยที่ผมเจอถ้าเกิดเรื่อกับเวลานะครับผม <c oughs> เอาตัวอย่างล่าสุดที่ผมเจอเลย ตัวอย่างล่าสุดที่ผมเจอมาเลยเอลูกศิษย์ผมโทรมาโทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้ผมรู้สึกแย่มากผ ม, ผมก็ถามว่ามันเกิดอะไรซึ่งคือผมที่ผมรู้ก็คือว่าเขาโดนมุสลิมด้วยกันฟ้องฟ้องแบบเอาจะให้ถึงขั้นตายเลยแล้วเป็นการฟ้องแบบไม่ยุติธรรมอะครับมีการโกหกมีการใส่ร้ายมีอะไรสาราพัดอยู่ในนั้นแต่ก็คือว่าพวกเรามาแล้วมาแล้วท่า น, นที่รู้ แต่จากเท่าที่ผมรู้ถ้าที่ผมคุคกกีกับเคสนี้แล้วก็ดูหลายๆคนพูดไปในทิศทางเดียวก็คือคนในลูกศิษย์ผมเนี่ยโดนอาธรรมดูนะครับหรือไม่ชอบผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกไม่สบายใจคดีจบไปยังเขาก็บอกว่าอินชาร้อนน่าจะจบแล้วคือตอนนี้สารยกหรือเร้อยแล้วสารยกฟ้องเพราะว่าดูไต่สวนอะไรครับก็เป็นไปตามนั้นก็คือตามกระบวนการผมกอกก็ดีแล้วนี่ก็น่าจะยินดีแล้วนี่เขาบอกว่าอาจารย์ ตอนแรกที่ผมโดนฟ้องเน่ะตอนแรกที่ว่าผมเจอเหตุการณ์เนี่ยจําได้ไหมครับที่ผมบอกซอนมาร์ตินอูแลช่วงแรกของเหตุการณ์จะเป็นช่วงที่หนักที่สุดเขาบอกว่าอาจารย์ช่วงแรกที่ผมเจอเหตุการณ์เนี่ยผมเกลียดเขามากเลยคือโกรธเขามากแค้นเขามากในชีวิตไม่เคยแค้นขนาดนี้แล้วผมขอดูอากับอัลลอฮ์เลยว่ายาอัลลอฮ์หากคนคนนี้มีโอกาสจะได้ดีอยู่ขอให้เขาได้ทางนํา ถ้าไม่มีโอกาสจะได้ดีแล้วขอร้อนลงโทษเขาให้สาสมเลยแล้วตอนนี้เขาเป็นมะเร็งตายเรียบร้อยแล้วเสียชีวิตในอุบัติภัยแล้วขอร้อนให้ไถ่โทษแกเขาตอลอดขอให้รอนยกโทแกเขาร้อเมตตาเขาแต่คือดูอาของคนที่ถูกอาธรรมถ้าเราสังเกตดูนะครับคนที่จอเหลื่มคนอื่นไม่มีใครจบสวยสักคนเลยในหน้าประวิสานที่ผมศึกษาไม่มีเลยจะเป็นทราร่าจะเป็นคนช่วยอะไรก็ตามไม่มีใครที่แบบตายอย่างสงบอยู่บนเตียงมีความสุขไม่มี จบไม่สวยสักคนซึ่งท่านบดุลีสซาดมก็บอกว่าไงครับจงระวังการขอของคนที่ถูกอาธรรมละบาซานก่อนครับอะลลอฮฺบัลลอฮอะลลอฮฺบัลลอฮอะชลาล Uh-huh. มาต่อกันถึงเรื่องความน่ากลัวของการไปอาธ ร, รมต่อผู้อื่นก็คือถ้าเกิดในดุนยาเนี่ยถ้าเขาดูอาจากอัลลอฮ์ให้เราเกิดอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ดีโอกาสที่อัลลอฮ์จะรับสูงมากสูงมากบางคน่ะจะบอกทําไมนี่มันไม่เห็นโดนสักทีมุสลิมเรารู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่มีใครบังคับอัลลอฮ์ได้แล้วความสามารถทั้งหมดนั้นอยู่ที่พระองค์ แต่ที่แน่ๆที่พวกเราบอกให้ท่านอบีมาเตือนเราก็คือว่าถ้าคนโดนซอเลมขอดูอาแล้วเนี่ยไอคนที่ไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยไม่มีทางที่ชีวิตจะมีความสุขแล้วไม่มีทางได้ดีแล้วก็แปลว่าโลกนี้สวยงามแต่โลกนี้บางคนบอกว่าเออแล้วถ้าเขาไม่ดูอาให้ก็โชคดีหรือเปล่าองศาซอเลมมาเป็นสิบกว่าคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนไม่เคยมีใครดูอาฉันรอดไหมคําตอบก็ไม่รอดใช่ไหมครับเพราะเรารู้ดีว่าที่ท่านอบีเตือนไว้ ตอนถามสหายว่าใครคือบุคคลล้มละลายใครคือบุคคลล้มละลายครับสำหรับอิสลามความดีเยอะแยะคนที่มีความดีเยอะแยะความดีเยอะเลยแต่พอไปถึงโลกหน้าไอความดีที่อุศรรษศาสพาไปจะถึงวันกี亚马เนี่ยดันมีเจ้าทุกมาหาลอร์และก็บอกว่าไอนี่รอเหลี่ยมผมไอนี่ร้อเหลี่ยมฉันอลอร์ช่วยจัดการแทนด้วยอลอร์ก็เอาความดีของคนที่ไปทําคนอื่นเอาไปให้กับเจ้าทุก พอความดีหมดแต่เจ้าทุกยังเข้าแถวรอกันเยอะเลยก็แปลวาแบบของเจ้าทุกเอามาใส่ให้กับตัวเองแล้วต้องลงนรกทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองมีอามันดีๆเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือความน่ากลัวความน่ากลัวทั้งดุนยาแล้วอาชรพัยนั้นสิ่งที่ต้องไม่ทําเด็ดขาดคือเราจะทํำบาปอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นบาประหว่างเรากับอวโลกบางครั้งต่อให้เราไม่ทันได้ขออภัยโทษถ้าวโลกไม่ตายเราไปยกโทษให้เราเลย อย่างบางทีเราถือสินอดวันอาราแฟร์อัลลอฮ์ก็ยกโทษให้บาป ท, ที่ผ่านมาถือสินอดบรรชูอทําทอะไรความดีในแต่ละช่วงที่ว่าจะเป็นการอาภัยโทษอลัลละฮ์ก็ยกให้แต่ถ้าเป็นการอาธรรมต่อผู้อื่นเจ้าเท่าถ้าเจ้าทุกไม่ยกให้อลัลลอฮ์ก็ไม่ส่งยกให้เพราะฉะนั้นอันตรายนะครับอันตรายเระนั้นระวังสองอย่างที่ต้องให้ความสําคัญละหมาดกับการใช้คําพูด สองอย่างที่ต้องไม่ทำการโอ้อวดกับการไปละเมิดต่อคนอื่นเพราะว่าเคี่ยวกับคนอื่นนี่ยมันต้องไปเคียรกหนามันอุตส่าห์มีการงานที่ดีไปแล้วมันไม่คุ้มเชิญครับครับครับครับครับ ทเพื่อจบไปการถือยกเป็นใจในการทำการับอโเราตโอเคมุสลิมเราไม่ได้มีความเชื่อที่ว่าอัลกอยะตุบัติริบซีละมันจะมีบางกลุ่มบางความเชื่อที่มีความเชื่อว่าถ้าเป้าหมายดีไม่ต้องสนใจวิธีการแต่ว่ามุสลิมเราครับคือที่มุสลิมเราเราต้อง ตนักไว้อะครับเราต้องคิดไว้ก็คือว่ากระบวนการกับผลอันไหนเป็นงานของเราอันไหนเป็นงานของอัลลอฮฺผลนี้เป็นของเราหรือของอัลลอฮฺครับเป็นของอัลลอฮฺแปลว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันเป็นของอัลละฮฺงั้นอัลลอฮฺเป็จะสอบสวนเราก็ครับว่าผลเราสําเร็จต่อพเวาไม่สอบสบอวนเพราะมันเป็นเรื่องของอัลละฮฺ เหมือนกับที่ว่าท่านอบีบางท่านนะครับทําการด่าวะตลอดชีวิตไม่มีใครเข้ารับอิสลามเลยถือว่าท่าล้มเหลวไหมครับไม่ล้มเหลวเพราะสิ่งที่เาอลอจะสอบสวนก็คือกระบวนการเพราะกระบวนการนี่คือเรารู้ล้วนเลยไงเอลอจะสอบสวนว่ากระบวนการของเราทํำยังไงส่วนผลเนี่ยอาจจะสําเร็จอาจจะไม่สําเร็จเพราะว่าบางครั้งนะครับถ้าเราไปให้ความสําคัญกับผลมากเกินไปกระบวนการมักจะเบี้ยว ถ้ากระบวนการเบี้ยวปุ๊บพอไปโลกหน้าพระครรลองท่านไม่สอบสวนผลเพราะผลมาจากพระองค์แต่พระองค์ก็จสอบสวนว่ากระบวนการเจ้าทําวิธีถูกหรือทําวิธีผิดเพราะะฉนั้นครับฮาร์ลหรือว่าฮารองเพรนัส์ถามว่าซุ่มเสี่ยงครับัรคมันต้องพลิกแพงครับก็คือว่า ที่ผมอู้ไปนะครับมันเป็นกฎของอะไรเป็นกฎรักแล้วก็อิสลามมีในเรื่องที่บอกว่ากฎทุกข้อมีข้อยกเว้นก็คือว่าในเรื่องของข้อยกเว้นเนี่ยต้องดูเป็นลายลายไปต้องดูเป็นกรณีไปบางกรณีปุ๊บการที่เราหวังผลแล้วก็รูปแบบอาจจะเป๋ไปบ้างอาจจะเป็นที่อนุโลมอย่างยกตัวอย่างกรณีที่อนุญาตให้มุสลิมโกหกได้สามกรณี คือการโกหกเนี่ยหมายถึงวิธีการบังคิดแต่ว่าพอมีเป้าหมายที่มันสําคัญจ ร, จริงๆที่อิสลามอนุโลมมันเลยเป็นที่อนุญาติก็คือเป็นที่ผ่อนผันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นที่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นถามว่ากระบวนการร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมที่ว่าต้องเน้นกระบวนการให้ถูกอย่างเดียวมันมีข้อยกเว้นบ้างแต่ผมไม่อยากให้มองว่าข้อยกเว้นนี้พอมีข้อยกเว้นปุ๊บทุกเคสมันต้องยกเว้นหมดอ่ะครับผม ไปเรื่อบางกรณีของทนายหรือว่าของอะไรก็ตามแต่บางครั้งก็หวังว่าอัลลอฮฺจะให้ไัยเขาไฟในหน้าที่ของมุสลิมเราคือเราต้องขอไผ่โทษเป็นประจำเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในเคสที่อัลลอฮฺผ่อนผันไหมไม่ผ่อนผันไหมเพราะนั้นขอไผ่โทษเป็นประจำแล้วก็จะได้รอดนะครับพิ่ชาวฮะครับมีมี ม, มีมีหลายเรื่องที่ผมอู้มาได้นะครับผมกับมาอู้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวปเนี่เดี๋ยวอันนี้ออกสื่อเดี๋ยวกลัวว่ามันอาจจะมีผลกระทบไปอย่างเพราะฉะนั้นเฮาเฮาเฮามาอูเรื่องที่เป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยประเดี๋ยวนะครับซูรากาฟิรูนะครับที่อัลลอฮ์บอกไว้ที่อัลลอฮ์ย้ำไว้นะครับพออัลลอฮ์บอกไว้ว่าที่พออัลลอฮ์ใช้สำนวนเนี่ยพออัลลอฮ์จะใช้ว่าฉันจะไม่ทำกับฉันไม่ใช่ผู้ที่ทำมันต่างกันยังไงครับฉันจะไม่ทำกับฉันไม่ใช่ผู้ที่ทำ ภาษาไทยผมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะคล้ายกันแต่รูปแบบของภาษาหลับก็คือผมยกตัวอย่างภาษาไทยแล้วคิดว่าคนทำบาปกับคนบาปเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับคนทำบาปกับคนบาปไม่เหมือนกั น, น, นหมายถึงว่าคนทำบาปผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าผมโกหกภรรยา ยกตัวอย่างสมมติสมมติสมตสมติยกให้ภรรยาดูดูงานเข้าสมมติให้เฉยสมมติใเฉยผมโกหกภรรยาผมทําบาปไหมทําบาปแต่ผมกลายเป็นคนบาปเลยไหมต้องดูก่อนใช่ไหมครับต้องดูก่อนเหมื อ, อนกับที่ ท, ท, ท่านอบีมัสเซซารรมบอกว่าคนบางคนที่เขาพูดความจริงแล้วเขาจะอยู่กับความจริงจนกระทั่งอัลลอฮฺบันทึกว่าเขาเป็นผู้สัต จริแปลว่ากว่าจะเป็นคนสัต์จริงได้เนะี่ยต้องพูดความจริงตลอดชีวิตไม่ใช่ทําแค่ครั้งสองครั้งในขณะที่ว่าคนบางคนเขาจะโกหกหรือเขาจะทําความชั่วแล้วก็ทําเป็นประจําจนอัลลอฮฺบันทึกไว้เลยว่าเขาเป็นจอมโกหก mm hmm. เพราะฉะนั้นคนทําความชั่วกับคนชั่วไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าถ้าเกิดลูกเราไม่เคยทําผิดแล้วทาผิดสักอย่างเราเอาภัยให้เขาได้ง่ายไหม ง่ายอยู่ใช่ไหมครับอารมุไม่เคยทำทำผิดครั้งเดียวแต่ถ้ามันทํำตลอดชีวิตเลยล่ะครับจังไปเลยอาจจะจังไปเลยเพราะฉะนั้นในกุฎาณอัลกานฟูรุลลอฮบอกว่าเราจะไม่แกลบไหวสิ่งอื่นน อ, อกจากอัลลอฮ์แล้วเราจะไม่เป็นผู้ที่ทํามันก็คือไม่ทําจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วครั้งเดียวก็จะไม่ทําในขณะที่กาเฟติอัลลอฮ์ใช้พออัลล์บอกไงครับกุญยาอุกาฟูละอับดุลมาตาบูรุนเวลาอันตุมอาบีดูนามาอาบุตคือเช้า คนที่เป็นกาเฟสเนี่ยทุกศาสนาถือว่าเป็นกาเฟสหมดแล้วเขาอยู่กับมันเป็นนิจศินเจ้าทั้งเป็นถือว่าเป็นผู้ที่แกล้งไหวสิ่งนอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นครับก็ขอโดยอัลลอฮ์นะครับในวันนี้เราคุยเรื่องของสุลต่ากาฟูหรือสุลตบาร์อะัลก็ขอโดยอัลลอฮ์ให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้รับฟังสัจธรรมแล้วก็ขอให้เป็นแบบตามมันได้แล้วก็สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามขอให้เราทิ้งมันได้โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญทั้งสองอย่างที่ย้ําไว้อวัญ กับการละหมาดของเรากับคำพูดของเราแล้วก็ขออย่าให้เรานั้นอยู่ในกลุ่มของกลุ่มชนที่ว่าได้ทําอะไรแล้วก็โอ้อวดแล้วก็อย่าให้เรานั้นได้ร่วมเกินคน อ, อื่นขอรับเมตตาเราแล้วก็ให้ภัยต่อเราให้ภัยต่อคนที่รักเราแล้วก็คนที่เรารักเขาแล้วก็ให้ภัยต่อมุสลิมผู้ที่เสียชีวิตไปก่อนเราแล้วก็ผู้ที่ยังมีชีวิตด้วยเถิดอามิลอักุลกาลีฮะลาวัซซัคโนลลอฮ์ฮิบัลลัคุมบุลิซัยล์มุสลิมีนัมบิคุลีนัมบัลซัมฟิรุฮ กท่านใดกำลังติดตามว่ามันอะไรงไงต่ออิสลามเราจะกันพรุ่ินอินลามครับสวัย ร, รุนะบาีพรย่งดีครับรดีครับรดีครับได้สาระได้ประโยชน์กับทำดแล้วนะครับ